ครั้งนั้นแหลท่านพระโลมาสักังคิยะเมื่อล่วงราตรีนั้นไปจึงเก็บงามเสนาสนะถือบาทและจีวรหลีกจาริกไปทางกรุงสาวัตถีเมื่อจาริกไปโดยลำดับได้เข้าไปยังพระเชตวัน อารามของอนาถบิณิกะเศรษฐีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าสมัยหนึ่งข้าพระองค์อยู่ที่นิคโครธารามเขตกรุงกบิลพั์แคว้นสักกะขณะนั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทพประบุองค์หนึ่งมีวันณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วนิคโครธาราม เข้ามาหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่แล้วยืนณที่สมควรได้กล่าวกับข้าพระองค์ว่าภิกษุท่านจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเทพบุตรนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์ได้กล่าวกับเทพบุตรนั้นว่าผู้มีอายุอาตมาภาพจำไม่ได้ส่วนท่านจาได้ไหมเทพบุตรกล่าวว่า แม้ข้าพเจ้าก็จําไม่ได้อันหนึ่งท่านจําคาถาที่แสดงถึงบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหมข้าพระองค์ตอบว่าอาตมาภาพจําไม่ได้ส่วนท่านจําได้ไหมข้าพเจ้าจําได้ผู้มีอายุก็ท่านจําได้อย่างไรเล่าภิกษุสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะปันทุกรัมพลศิลาอารที่ควงไม้ปริชาตกะ ในหมู่เทพชั้นดาวดึงณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญแก่เทพชั้นดาวดึงว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วละถึงพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลละถึงนั้นแล ว, ว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญภิกษุ ข้าพเจ้าจำคาถาที่แสดงถึงบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้อย่างนี้แลขอท่านจงศึกษาเล่าเรียนและทรงจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญเถิดเพราะว่าอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติพรหมจรรย์เทพประบุนั้นกล่าวดังนี้แล้วก็หายตัวไปณที่นั้นเอง ขอประธานวโรกาศขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญแก่ข้าพระองค์เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุก็เธอรู้จักเทพบุตรนั้นไหมท่านพระโรมัสะกังขียะกราบทูลว่าไม่รู้จักพระพุทธเจ้าข่าภิกษุเทพบุตรนั้นชื่อจันทนะ จันทนะเทพบุตรสนใจใส่ใจกำหนดด้วยจิตทั้งปวงแล้วเงี่ยโ ส, สดับธรรมถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุนั้นรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์นี้ว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง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 เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมจุราชผู้มีเสนามากนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีความเพียนไม่ขี่คร้านทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งมีปกติอยู่อย่างนี้นั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญ บุคคลคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรคือบุคคลไม่ดําเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีรูปอย่างนี้ในอดีตเราได้มีเวทนาอย่างนี้ในอดีตเราได้มีสัญญาอย่างนี้ในอดีตเราได้มีสังขารอย่างนี้ไม่ดําเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มี history, history, อยู่ก่อนนั <S <S ้นว่าในอดีตเราได้มีวิญญาณอย่างนี้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 บุคคลหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างไรคือบุคคลดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอนาคตเราพึงมีรูปอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีเวทนาอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีสัญญาอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีสังขารอย่างนี้ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอนาคต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 บุคคลงอนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แลบุคคลไม่งอนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรคืออริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับได้เห็นพระอริย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 ละถึงบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วละถึงพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลละถึงนั้นแล ว, ว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัพย์สิทธิ์นี้แล้วท่านพระโลมสกังขิยะมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลโลมสกังขิยะ พัตเทกะรัตรสูตรที่สี่จบ 5. จูละก ร, รมมวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกกรรมสูตรเล็กข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้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 อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์ที่เกิดเป็นมนุษย์ปรากฏเป็นคนเลวและคนดีคือมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏว่ามีอายุสั้นมีอายุยืนมีโรคมากมีโรคน้อยมีผิวพรรณซามมีผิวพรรณดีมีอำนาจน้อยมีอำนาจมากมีโภคะน้อยมีโภคะมากเกิดในตระกูลต่ำเกิดในตระกูลสูงมีปัญญาน้อยมีปัญญามาก ท่านพระโคโดมอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้มนุษย์ทั้งหลายที่เกิดเป็นมนุษย์ปรากฏเป็นคนเลวและคนดีพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามานุสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวและดีต่างกัน ข้าพระองค์ไม่รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระพาสิทธินี้ที่ท่านพระโคดมตรัสไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ขอประธานวโรกาสขอท่านพระโคดมโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยวิธีที่ข้าพระองค์จะพึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระพาสิทธินี้ที่ท่านพระโคดมตรัสไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารเถิด มีพระภาคตรัสว่ามานพถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวสุพมานพโตเทยยบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่ามานพบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้ฆ่าสัตว์เป็นคนหยาบช้ามีมือเปื้อนเลือดฝักใฝ่ในการประหารประหาร ไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายเพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกหลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาก็จะเป็นคนมีอายุสั้นมานพการที่บุคคลเป็นผู้ฆ่าสัตว์เป็นคนหยาบช้ามีมือเปื้อนเลือด ฝากไฟในการประหัดประหารไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายนี้เป็นปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความมีอายุสั้นมานบส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและศัตราวุธมีความละอายมีความเอนดูมุ่งหวังประโยชน์เตื้อกูในสรรพสัตว์ เพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาก็จะเป็นคนมีอายุยืนมานบการที่บุคคลเป็นผู้ละเว้นขาจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและศสตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดู มุ่งหวังประโยชน์เกือ้อกูลในสรรพสัตว์นี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุยืนมานพบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็าตามเป็นบุรุษก็าตาม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 การที่บุคคลเป็นผู้เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้างด้วยศาสตราบ้างนี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคมากมานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็าตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้างด้วยศาสตราบ้าง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 นี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคน้อยมานกบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีข้อตามเป็นบุรุษข้อตามเป็นผู้มักโกรธมากด้วยความขับแค้น ถูกผู้อื่นว่ากล่าวแม้เล็กน้อยก็ขัดใจโกรธพยาบาทปองร้ายแสดงความโกรธความปองร้ายและโทษเล็กน้อยให้ปรากฏเพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกหลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดใด เขาก็จะเป็นผู้มีผิวพันธ์สามมานพการที่บุคคลเป็นผู้มักโกรธมากด้วยความขับแค้นถูกผู้อื่นว่ากล่าวแม้เล็กน้อยก็ขัดใจโกรธพยาบาทปองร้ายแสดงความโกรธความปองร้ายและโทษเล็กน้อยให้ปรากฏนี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีผิวพันธ์สามมานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้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 นี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีผิวพรรณผ่องใสมานพ บ, บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้มีใจริษยาย่อมริษยาประทุษร้าย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 มนบการที่บุคคลเป็นผู้มีใจริษยาย่อมริษยาประทุษร้ายผู้ความริษยาในลาบสักระความเคารพความนับถือการกราบไหว้และการบูชาของบุคคลอื่นนี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีอำนาจน้อยมานบส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้มีใจไม่ริษยา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 หลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในอบายทุขติวินิบาตนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาก็จะเป็นผู้มีโภคน้อยมานพ ก, การที่บุคคลเป็นผู้ไม่ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักเครื่องประทีบแก่สมณะหรือพรามนี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีโภคน้อย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 มานพ บ, บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรษุษก็ตามเป็นผู้กระด้างเย่อหยิ่งย่อมไม่กราบไหว้ผู้ที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกรับผู้ที่ควรลุกรับไม่ให้อาสะนะแก่ผู้ที่ควรให้อาสนะไม่ให้ทางแก่ผู้ที่ควรให้ทางไม่สักกะระผู้ที่ควรสักกะระไม่เคารพผู้ที่ควรเคารพไม่นับถือผู้ที่ควรนับถือ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 ย่อมไม่กราบไหว้ผู้ที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกรับผู้ที่ควรลุกรับไม่ให้อาสนะแก่ผู้ที่ควรให้อาสนาไม่ให้ทางแก่ผู้ที่ควรให้ทางไม่สักการะผู้ที่ควรสักการะไม่เคารพผู้ที่ควรเคารพไม่นับถือผู้ที่ควรนับถือไม่บูชาผู้ที่ควรบูชานี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้เกิดในตระกูลต่ำมานพ ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้ไม่กระด้างไม่เยื่ยยิงย่อมกราบไหว้ผู้ที่ควรกราบไหว้ลุกรับผู้ที่ควรลุกรับให้อาสนาแก่ผู้ที่ควรให้อาสนาให้ทางแก่ผู้ที่ควรให้ทางสักกะระผู้ที่ควรสักกะระเคารพผู้ที่ควรเคารพนับถือผู้ที่ควรนับถือบูชาผู้ที่ควรบูชา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 ให้อาสนะแก่ผู้ที่ควรให้อาสนะให้ทางแก่ผู้ที่ควรให้ทางสักระะผู้ที่ควรสักระะเคารพผู้ที่ควรเคารพนับถือผู้ที่ควรนับถือบูชาผู้ที่ควรบูชานี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้เกิดในตระกูลสูง มานพบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีข้อตามเป็นบุรุษข้อตามไม่เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าท่านขอรับอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสภอะไรไม่ควรเสภกรรมอะไรที่ข้าพเจ้าทำจึงเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อกลูลเพื่อทุกข์ตลอดกาลนานหรือว่า กรรมอะไรที่เขาพเจ้าทําจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขตลอดกาลนานเพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกหลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาจะเป็นผู้มีปัญญาซามมานก การที่บุคคลไม่เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าท่านขอรับอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพกรรมอะไรที่ข้าพเจ้าทำจึงเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานหรือว่ากรรมอะไรที่ข้าพเจ้าทำจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุข ตลอดกาลนานนี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาสามมานบส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็าตามเป็นบรุษก็าตามเข้าไปหาสมณะหรือพรามแล้วสอบถามว่าท่านขอรับอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพ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 กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาจะเป็นผู้มีปัญญามากมานพการที่บุคคลเข้าไปหาสมณะหรือพรามแล้วสอบถามว่าท่านขอรับอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพกรรมอะไรที่เขาพเจ้าทำจึงเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อคูณเพื่อทุกข์ตลอดกาลนานหรือว่า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 ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความามีอายุสั้นย่อมนำเข้าไปสู่ความมีอายุสั้นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุยืนย่อมนำเข้าไปสู่ความมีอายุยืนปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคมากย่อมนำเข้าไปสู่ความมีโรคมากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความมีโรคน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีผิวพันซาม ย่อมนำเข้าไปสู่ความมีผิวพันธ์สามปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีผิวพันธ์ผ่องใสย่อมนำเข้าไปสู่ความมีผิวพันธ์ผ่องใสปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอำนาจน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความมีอำนาจน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอำนาจมากย่อมนำเข้าไปสู่ความมีอำนาจมากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภคะน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความมีโภคะน้อย ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภคะมากย่อมนำเข้าไปสู่ความมีโภคะมากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเกิดในตระกูลต่ำย่อมนำเข้าไปสู่ความเกิดในตระกูลต่ำปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเกิดในตระกูลสูงย่อมนำเข้าไปสู่ความเกิดในตระกูลสูงปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาซามย่อมนำเข้าไปสู่ความมีปัญญาซาม ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญามากย่อมนำเข้าไปสู่ความมีปัญญามากสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกาเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวและดีต่างกันด้วยประการรัชนีเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุพมนกโตเทยบุตร เรีกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาสิกของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาสิกของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมแจมแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ําเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทาง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 สถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตครุงราชครื้สมัยนั้นแลท่านพระสมิทธิอยู่ในกระท่อมป่าครั้งนั้นปริพาชกชื่อโปตลิบุตรเที่ยวเดินเล่นอยู่เข้าไปหาท่านพระสมิทธิถึงที่อยู่แล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระสมิทธิว่าท่านพระสมิทธิ ข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระสมณโคดมว่ากายกรรมไม่จริงวจีกรรมไม่จริงมโนกรรมเท่านั้นจริงและว่าสมาบัติที่บุคคลเข้าแล้วไม่เสวยเวทนาอะไรอะไรนั้นก็มีอยู่ท่านพระสมิทธิกล่าวว่าท่านโปตลิบุตรท่านอย่ากล่าวอย่างนี้อย่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลย เพราะพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสไว้อย่างนี้ว่ากายกรรมไม่จริงวจีกรรมไม่จริงมโนกรรมเท่านั้นจริงและว่าสมาบัติที่บุคคลเข้าแล้วไม่สวยเวทนาอะไรอะไรนั้นก็มีอยู่ท่านพระสมิทธิท่านบวชมานานเท่าไหร่แล้วท่านผู้มีอายุอาตมาภาพบวชได้ไม่นานเพียง 3, สามพรรษาบัดนี้ ในเมื่อภิกษุใหม่ยังคิดปกป้องพระาศาสดาถึงเพียงนี้เราทั้งหลายจะพูดอะไรกับภิกษุผู้เป็นพระเถระได้เล่าท่านพระสมิทธิบุคคลทำกรรมที่ประกอบด้วยความจงใจทางกายทางวาจาและทางใจแล้วจะเสวยผลอะไรท่านโปตลีบุตรบุคคลทำกรรมที่ประกอบด้วยความจงใจทางกายทางวาจาและทางใจแล้วจะเสวยทุก ลำดับนั้นปริพาชกชื่อโปตลิบุตรไม่ยินดีไม่คัดค้านภาษิของท่านพระสมิธิลุกจากที่นั่งแล้วจากไปครั้งนั้นแหละเมื่อปริพาชกชื่อโปตลิบุตรจากไปไม่นานท่านพระสมิธิเข้าไปหาท่านพระานนท์ถึงที่อยู่แล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควร เล่าเรื่องที่ตนได้สนทนาปราศัยกับปริพาชคชื่อโปตลิบุตรทั้งหมดแก่ท่านพระอนนทเถระเมื่อท่านพระสมิธิเล่าเรื่องอย่างนี้แล้วท่านพระอนนท์จึงได้กล่าวกับท่านพระสมิทธิว่าท่านสมิธิเรื่องนี้มีมูลเหตุพอที่จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้มาเถิดเราทั้งสองพึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับ เพื่กราบทูลเนื้อความนี้แด่พระองค์พระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงตอบอย่างใดเราทั้งหลายควรทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นท่านพระสมิทธิรับคำแล้วครั้งนั้นท่านพระสมิทธิและท่านพระอนนท์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระอนนท์เร้ยกราบทูลเรื่องที่ท่านพระสมิทธิ ได้สนทนาปราศัยกับปริพาโชคชื่อโบตรลิบุตรทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคเมื่อพระอาโน์กราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัส ก, กับท่านพระอานอน์ว่าอานอน์เราไม่รู้แม้ความเห็นของปริพาโชคชื่อโบตรลิบุตรเลยจะรู้การสนทนาปราศัยขันเห็นปานนี้ได้อย่างไรโมคบุรุษผู้มีนามว่าสมิธนี้ ได้ตอบปัญหาที่ควรจำแนกตอบแก่ปริพาชกชื่อโปตลิบุตรโดยแง่เดียวเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอุทายีเดียกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าก็ถ้าท่านพระสมิธิกล่าวหมายเอาทุกนี้แล้วอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่สัจเหวยแล้วอารมณ์นั้นต้องจัดเข้าในทุกข์หรือพระพุทธเจ้าค่ะ เมื่อท่านพระอุทายีกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่านอานนท์เธอจงเห็นความนอกลู่นอกทางของอุทายีผู้เป็นโมคะบุรุษนี้เถิดเราได้รู้บัดนี้เองโมคะบุรุษอุทายีนี้เมื่อจะพูดก็พูดพลงออกมาโดยไม่แยบคายเบื้องต้นทีเดียวปริพาชกชื่อโปรตลิบุตรถามถึงเวทนาสาม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 บุคคลทำกรรมที่ประกอบด้วยความจงใจทางกายทางวาจาและทางใจอันให้ผลเป็นอทุคมสุย่อมสวยผลเป็นอทุคมสุอาโนนโมขาบุรุษมิทิเมื่อตอบอย่างนี้ชื่อว่าตอบโดยชอบแก่ปริภาชกชื่อโบตรลิบุตรแต่ว่าอัญญะเดรธีปริภาชกเหล่านั้นเป็นคนโง่ไม่ฉลาด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 ภิกษุทั้งหลายได้สดับจากพระผู้มีพระภาคแล้วจากทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวท่านพระอานนทูลรับสนองพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรื่องนี้ว่า